มันก็อย่างที่กล่าวทบทวนนะว่าสีเนี่ยจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆแล้วก็คนมีปัญญาจึงจะรู้ได้ไม่มีปัญญาก็รู้ไม่ได้เนี่ยนะมันแต่ที่อย่างถ้าอ้าวแล้วยุคนี้จะทำไงดีจเจริญอิติปิโสไว้เยอะๆเถอะนั่นแหละทําบุญอะไรก็ระ ล, ลึกถึงอิติปิโสเข้าไว้นีแม้เพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจนถึงปุญยญคเทศตังโลกัสติจะทําบุญที่ไหนก็ทําไปเถอะนะท่านจะเป็นดีจะชั่วก็เรื่องของท่านไป เราอาจจะไม่ได้รักษาศีลเผื่อท่านได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้หรอใครดีจริงไม่ดีจริง <c oughs> เรารู้ได้ยังไงอาจจะพูดดีอ่ะแต่พูดดีแล้วทำไมท่านพูดดีก็ต้องคิดไปเยอะๆนะแต่ที่สําคัญว่าเยอะน้อยไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเราศึกษาพระธรรมเนี่ยเพื่ออะไรเราทําบุญเนี่ยประสงค์อะไรเราต้องการอะไรทันความชัดเจนของเราเนี่ยจะต้องสูงมากถ้าเราเองก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรแล้วก็หมดตัว แล้ววันหลังก็มาโอดครวญโอ้โยโมหมดไปเยอะว่างั้นอะไรจะไปว่าอะไรก็หมดไปแล้วอ่ะเอาที่ทําไม่ได้ทําเอาบุญหรอกเหรอเนีะก็เอาเขาทาเอาบุคคลก็เสียใจอยู่แล้วแหะเพราะไม่ได้ทําเอาบุญถ้าทําเอาบุญมันก็เป็นบุญไปแล้วอ่ะแต่ลงทุนผิดที่ทำนั้นเองอ่ะนะก็เออไม่ใช่ลงทุนในที่ที่ไม่สมควรแค่นั้นเองมันก็เลยกําไรไม่มากว่างั้นทั้ก็ต้องศึกษาให้มันดีๆทําบุญให้มันเข้าใจหน่อยถ้าไม่มีปัญญาประกอบเศร้าเลยนะ สวปาหลังก็ทําใจไม่ได้เพราะทําใจไม่ได้เลิกทําบุญนีกก็มีเอาเอว่าโอ้ยเจอหลอกมาครั้งเดียวก็เกินพออะไรเข้างั้นมันก่อนโยมก็มาเล่าให้ฟังรู้พระจากไหนไม่รู้โอ้ยแบบคุยไปคุยมาเนี่ยถามโยมมีตังเท่าไหร่เอาไปเอามาอาตมาอยากจะทำํำมาเนี่ยโยมจะให้เท่าไหร่บอกนะก็เรียบเคียงถามแล้วก็มาเล่าบอกโอ้ยขอมาไม่รู้หรอโยมคุยอะไรก็ไม่รู้เอาไปถามท่านรูปนั้นดีว่าท่านถามเพราะอะไรท่านถามทําไมก็มาเห็นทุเรื่องเลย มันนั่งคุยอยู่ตั้งแต่เช้าจนยันฉันเพลนแล้วนาะมานก็กลุ่มที่ที่ลักษณะนี้ก็มีไม่ใช่น้อยเราก็ต้องศึกษาให้ดีๆไม่งั้นเราก็รักษาศรัทธานในพระรัตนตรัยไม่ได้ก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะก็มีคนที่เรียกว่าปลอมแปลงปลอมตัวนะก็ทุกๆองค์การอยู่แล้วนะก็ไม่ใช่ว่าพระศาสนาเนี่ย ศาสนาเนี่ดีจริงพระพุทธเจ้าดีจริงพระธรรมคาสอนก็ดีจริงอริยาสาวกที่ปฏิบัติตามรำมวินัยดีจริงแต่ว่าความดีเหล่านี้มันก็มีเหยื่ออยู่ใกล้ๆทั้งคนที่ต้องการเหยื่อก็ก็มีวิธีการวางเหยื่อที่จะรับเหยื่อเอาไปแต่ว่าคนที่ทําบุญก็จะต้องศึกษาปรับความรู้ปรับความเข้าใจให้ดีๆไปอีกอันหนึ่งนะวัตถุแห่งความโกหกโกหกก็คือหลอกลวงในส่วนแห่งอิริยาบท เรียกว่าหลอกลวงโดยการใช้อิริยาบถหรือแสดงละครแบบอิริยาบถว่าไงพิสูจน์บางโรคในศาสนานี้มีความปรารถนาลามกคือว่าใจจริงเนี่ยเป็นบาปอันความปรารถนาครอบงําแต่ประสงค์จะให้เขาสรรเสริญอยากได้คําชมมากเนี่ยนะก็เลยคิดว่าประชุมชนจะสรรเสริญเราโดยอิริยาบถอย่างนี้จึงสํารวมเดินไอที่เดินเนี่ย การเดินสัมรวมเนี่ยเป็นความดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญแต่นี่จะสัมรวมเดินเอาคำชมไม่ได้เอาสีขา น, นะก็เรียกว่าต้องการเสียงสรรเสริญยกย่องก็เลยสัมรวมยืนสัมรวมนั่งสัมรวมนอนมุ่งเดินยืนนั่งนอนเดินเหมือนคนมีสมาธิว่างั้นน่ะนั่งเหมือนคนมีสมาธินอนก็นอนเหมือนคนมีสมาธิทำกิริยามเหมือนคนมีสมาธิ ท, าทั้งทั้งที่จะจริงๆแล้วไม่ใช่ เรียกว่าทําเป็นเหมือนเจริญฌานต่อหน้าพวกมนุษย์นะเรียกว่าต่อหน้าเรียกว่านักสแสวงบุญทั้งหลายนี่โอ้โเหมือนนั่งเข้าฌานกันหมดเลยเรียกว่าพอพ้นหน้านักสแสวงบุญทั้งหลายก็ปกติภาวะว่างั้นคือเรียกว่าไม่ไม่ปกตินะเรียกว่าเป็นคนที่อะไรนะอีกเหมือนกับถ่ายทําภาพยนตร์แสดงละครอะไรลักษณะนั้นนะเรียกว่ามีเข้าฉากมีออกฉากเป็นต้นนะั่นะ พวกนี้ก็จะเริ่มตั้งตั้งสําเร็จอิริยาบดความเป็นผู้น่าสยิวความโกหกกิริยาโกหกความเป็นผู้โกหกก็คือหลอกลวงอะนะวัตถุแห่งความหลอกลวงในส่วนของอิริยาบด์นะแสดงตัวในแง่ของอิริยาบดส่วนวัตถุแห่งความโกหกหลอกลวงในส่วนแห่งพูดอิง ร, รมเนี่ยนะโกหกหลอกลวงด้วยนะใช้คําพูดเนี่ยอิงอัดอิงรำเขาบอกงั้นเป็นอย่างไรบอกภิกษุในภิกษุบางรูปในศาสนานี้ มีความปรารถนาลามมกคือปรารถนาเป็นบาปอันความปรารถนาครอบงามีความประสงค์จะให้เขาสันเสริญคือถ้ามีคําสันเสริญก็จะมีลาบเมื่อมีลาเมื่อมีสันเสริญก็จะเพิ่มมาด้วยลาบสการะชื่อเสียงเป็นต้นอย่างอื่นเพรา ะ, ะนั้นก็เลยคิดว่าประชุมชนจะสันเสริญเราด้วยการพูดอย่างนี้จึงใช้วาจาอิงอริยธรรม ก็วิธีพูดก็บอกพูดว่าสมณะที่ใช้จีวรเห็นปานนี้มีอนุภาพมากก็คือว่าใช้จีวรสีแบบตัวเองอะนะอธิบายแบบสีที่ตัวเองใช้อยู่นั่นแหละสมณะที่ใช้บาทเห็นปานนี้ใช้ภาชนะโลหะเห็นปานนี้เครื่องกรองน้ําปานนี้ผ้ากรองน้ําปานนี้ลูกดานรองเท้าประคดเอวสายโยกแบบนี้นะมีอนุภาพมากแล้วแม่ก็พงที่ก็พูดเรียบเรียงไปหาอุปช า, าแบบแหมผู้มีอุปชาเห็นปานนี้นะ อนุภาพมากนะมีอาจารย์อย่างนี้มีร่วมผู้ร่วมอุปชายอย่างนี้มีผู้ร่วมอาจารย์เช่นนี้นะนะมีมิตรเห็นการตานี้มีมิตรที่รู้จักการตานี้มีมิตรที่คบกันเห็นตานี้มีสหายเห็นตานี้มีอนุภาพมากกนะ็แล้วพูดรอบข้างคนรอบตัวเพื่อจะให้รู้ว่าตัวนี้ผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนะอธิบายว่าตัวเองนี่มีดีขนาดไหนก็อิงหลอกลวงไป บางทีก็พูดเรียบเคียงไปถึงกุฏิพูดถึงวัดด้วยนะว่าสัมมนาที่อยู่ในวิหารเห็นปานนี้มีอนุภาพมากหรือว่าเอาแบบหลังคาก็ได้อิงหลังคาหลังคาแถบเดียวมุงข้างเดียวหรือเรือนโลนในถ้าหรืออะไโต้ถ้าอยู่ถ้านะพิเศษองค์ไหนอยู่ถ้าได้นี่เยี่ยมอ่ะที่จริงตัวนั่นแหละอยู่ถ้ำอะไรกุฏิเห็นอย่างนี้กุฏิลักษณะนี้ก็กุฏิของตัวนั่นแหละ หรือเรือนยอดเห็นปานนี้อยู่ต้อมอยู่โรงอยู่ที่พักเห็นปานนี้อยู่โรงชั้นอย่างนี้อยู่มนดบอยู่โคนไม้เห็นปานนี้มีอนุภาพมากอันหนึง่งภิกษุเป็นผู้ก้มหน้ากว่าคนที่ก้มหน้ามันเกินไปอ่ะเท่าไหร่โยมก็มาบ่นให้ฟังที่ตลาดแห่งหนึ่งมีรูปหนึ่งนะไอตอนขาเดินมาจากวัดท่านก็ปกติอยู่พอจะเริ่มรับบิณฑบาตนี่ก็เริ่มโอ้โหพิเศษขึ้นมาแล้วมันน่าเกลียดมากเท่าไหร่เนี้ยเอาไปทําอะไร ก็เราไม่ได้บวชเหมือนท่านก็ไปบวชที่เพราะว่าคนที่บวชมาก็ลูกหลานเราไดไปทําอะไรได้ก็ต้องคุยกับลูกกับหลานที่จะบวชให้มันดีลูกบวชทําไมลูกบวชยังไงไปอยู่ที่ไหนฉันอะไรลูกจะไปปฏิบัติยังไงก็คุยให้มันเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนเข้ามาบวชเพราะบวชเข้ามาแล้วจะไปทําอะไรได้ใช่ไหมเอาโยมจะไปว่าอะไรพระคำเงนินแล้วก็ได้แต่มาบ่นนอกสถานที่ท่านไม่รู้ด้วยร้องกว่าน มันก็กลายเป็นคนที่ก้มหน้ายิ่งกว่าคนหน้าทําหน้าสยิวคือว่าทําหน้าอ่าสยิวหน้าโกหกวัตถุคําว่าผู้โกหกว่าคนที่โกหกคือว่าคือว่าเป็นคนหลอกยิ่งกว่าคนหลอกคือว่าลวงยิ่งกว่าลวงว่างั้นเถอะพูดมากยิ่งกว่าคนพูดมากผู้ที่คนอื่นสรรเสริญตามปากของคนแสดงว่าสร้างเรื่องขึ้นได้เนี่ยเป็นนักสร้างเรื่องสร้างสร้างสถานการณ์สร้างเหตุการณ์ขึ้นมาได้ และคำพูดก็ปฏิสังยุตด้วยโลกุตระพูดถึงแต่นิพานเช่นนั้นใช้คว่าใช้คำพูดที่ลึกซึ้งฟังแล้วลึกซึ้งหมายความว่าน่าทาบุญมากเลยนะอยากจะทาบุญกับท่านเยอเกินนั่นเองก็ใช้คำที่ลึกซึ้งละเอียดที่วินยูปิดบังเอาไว้บางทีเนี่ยก็เปิดเผยเกินไปทั้งๆั้ที่ไม่มีอะไรจะเปิดว่าสมณะนี้ได้วิหารสมาบัตสงบปานนี้สยิววน้าเป็นพูด เสี่ยุ่หน้าโกหกกิริยาที่โกหกโกหกเห็นปานนี้เรียกว่าวัดถุกเป็นที่ตั้งแห่งความโกหกโดยการพูดอิงธรรมเนี่ยนะเหมือนกับว่าไปที่ไหนก็อ้างว่าเหมือนกับสมมติถ้าเป็นกลุ่มคารวะด้วยกันเนี่ยไปที่ไหนอ้างในความเป็นเป็นเศรษฐีมั่งมีมีทรัพย์มีโน่นมีนี่มีเต้ไปหมดเลยเนี่ยนะไปที่ไหนก็พูดแต่ลักษณะเนี่ยถามว่าพูดให้เป็นอะไรชั้นใดพระพิสูจน์ที่พูดอวดคุณธรรมที่มีอยู่ภายในก็เช่นนั้นพูดทําไมพูดให้เป็นอะไรแล้วก็พูดเพื่อ อะไรนั่นเองเนี่ยนะก็ต้องพยายามทบทวนให้ดีๆไม่อย่างนั้น เ, เราก็คือความเลื่อมใสของเราเนี่ยเป็นความดีการศรัทธานี่เป็นเรื่องที่ดีแต่ศรัทธาที่มีอยู่ไม่ค่อยมากอะ่ะควรจะศรัทธาที่ไหนถ้าเราตั้งคําถามเนี่ยนะศรัทธาอันมีปริมาณจํากัดเนี่ยแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ผิดหวังกลับมาแล้วก็เลิกศรัทธาไปเลยเพราะฉะจะต้องเลือกวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาที่ไม่สร้างความเสียหายในภายหลังไม่หนักใจในวันหลังเนี่ยนะ ไม่อย่างนั้นก็โอ้เต้องมานั่งฟังเรื่องที่ไม่ควรฟังบอถ้าใช้เวลาฟังอริยสัจขนาดนั้นบรรลุไปนานแล้วเพราะฉะนั้นวัตถุแห่งความโกหกทั้งสามอย่างความหลอกลวงสามอย่างนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นละได้แล้วตัดขาดแล้วสงบแล้วระ ง, งับแล้วไม่ให้เกิดขึ้นแล้วเผาด้วยไฟคื อ, อยานเพราะเหตุ น, นั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นไม่โกหก ตรงนี้ถ้าเป็นในสุตตานิบาตานแปลว่าหลอกลวงใช่ไหมตรงนั้นก็บอกว่านิกโกหเนี่ยนะโกหกอะโกะโกหกก็มาจากคําว่าโกหกเนี่ยนะโกหกก็คือหลอกลวงนั่นแหละนิปปาศาเนี่ยนะนิปปาศาก็คือความอยากดื่มกระความกระหายความกระหายไม่มีในพระประเจกนั้นะนะคือเป็นผู้ไม่มีความกระหายด้วยอํานาจตันหา บอกว่าตัญหาอันเป็นเหตุให้กระหายนั้นพระประเจกขพุทธเจ้านั้นละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่เป็นที่ตั้งดังตามยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุ น, นั้นพระประเจกขสมพุทธเจ้านั้นจึงไม่มีความกระหายไม่มีความกระหายด้วยอานาจของตันหานั่นเองส่วนอีกคาหนึ่งบอกว่าพระประเจกพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ไม่ลบหลู่เนี่ยนะ ก็คือเนมมัคโหนี่นะลบลูลบลูคืออะไรคือการยังคุณของคนอื่นให้เสื่อมเสียเป็นลักษณ ะ, ะการลบลูในที่นี้หมายถึงว่าเหยียดหยามคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขามีคุณธรรมนะแล้วก็หยามเขาอ่ะนะนะเรียกว่าลบลูทำลายคุณงามความดีของคนอื่นสมัยคนอื่นเขามีคุณเช่นใดเช่นใดตัวเองก็ปกปิดคุณอันนั้นแล้วก็บางทีเนี่ยเขาก็มีคุณงามความดีอยู่ในตัวตั้งมากมาย มีข้อเสียอยู่นิดเดียวไปที่ไหนก็แงเอาแต่ความเสียชั่วร้ายเหล่านั่นแหละไปโพนธนาเนี่ยนะไปโพนธนาจนจนเลยความเป็นจริงพระปเจกัพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีการลบหลู่คุณนะของพ่อครัวแม้กระทั่งในการที่ตนยังเป็นครหอัสพระปเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถามว่าพระองค์ทำยังไงกับกับพ่อครัวบ้างไหมในพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งครับไม่ ความลบหลู่กิริยาที่ลบหลู่ความเป็นผู้ลบหลู่ลบหลู่อีกคำหนึงก็คือลักษณะของอริษยานั่นแหละลบหลู่อริษยาสนี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะเพราะพระพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นไม่มีความลบหลู่ส่วนอีกคำหนึ่งก็คือนิธันตะกสาวโมโหทำห6อย่างคือราคะโทสะและโมหะหรืออีก3อย่างก็คือกายะทูจริญวัจจิทุจริญมโนทูตเจริญเรียกว่าน้ําฝาด กาสาวะกาสาวะเนี่ยอย่างเช่นผ้ากาสาวะเนี่ยนะผ้ากาสาวะแปลว่าผ้าย้อมน้ำฝาดฉันใดทำที่เป็นเช่นกับน้ำฝาดมีอยู่6ประการคือโลภาโทสะและโมหะกายะทูจริริวจีทูจริรมโนทูจิริต6ประการนี้แหละเรียกว่าน้ำฝาดเพราะว่าไม่เลื่อมสายตามความเป็นจริงและก็มีความหมายว่าให้ละภาวะของตนให้ถือเอาภาวะอย่างอื่น อย่างที่พระองค์ตรัสว่าธรรมะหอย่างเรียกว่ากสาวะสมอย่างเป็นฉะไหนกสาวะคือราคะกสาวะน้ำฝาดคือราคะน้ำฝาดคือโทสะน้ำฝาดคือโมหะหรือกในหนึ่งก็น้ำฝาดคือความชั่วทางกายความน้ำฝาดคือความชั่วทางวาจาหรือว่าน้ำฝาดคือความชั่วทางใจเนี่ยนะก็โลภะโทสะโมหะกายตุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทั้ง6ประการเรียกว่า กษาวะเรียกว่าน้ำฝาดน้ำฝาดที่ชื่อว่าโมหะเนี่ยเหมือนกับน้ำฝาดอันกระจัดเสียแล้วเพราะโมหะอันเป็นมูลรากแาห่งกษาวะห้าที่จริงความชั่วราคะเกิดขึ้นเนี่ยก็มีโมหะเป็นรากโทสะเกิดขึ้นก็มีโมหะนั่นแหละเป็นรากความชั่วทางกายก็มีโมหะนั่นแหละเป็นรากความชั่วทางวาจาก็มีโมหะเป็นรากความชั่วทางความคิดจิตใจชั่วชวก็มี โมหะนั่นแหละเป็นรากเป็นรากเง่าแห่งความชั่วมันก็กำจัดโมหะได้ก็ชื่อว่ากำจัดน้ำฝาด ท, ที่เหลือได้ทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งชื่อว่ามีโมหะดูดน้ำฝาดอันกำจัดได้เสียแล้วหรือกำจัดได้แล้วก็นะกำจัดความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจแล้วก็ละโมหะเสียแล้วบรรดากสาวน้ำฝาดเหล่านั้นความที่บุคคลกำจัดราคะกสาวน้ำฝาดคือราคะ กำจัดน้ำฝาดคือโทสะและไม่ลบหลู่ให้สำเร็จเป็นผู้ไม่มีความโลภเป็นต้นนั่นเทียวเนี่ยนะเพราะพระพเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นเช่นนั้นในนิเทศนั้นอธิบายเพิ่มเติมว่าบาปประธรรมดังรถฝาดหรือเหมือนกับน้ำฝาดถ้าใครเคยทานผลไม้ฝาดฝาดนี่เป็นไงเอามังคุดดิบๆมาทานนะเคยรสชาตินะครับ เ, เ, เปลือกเปลือกมังคุดก็ได้ลมุดดิบก็ได้อะ หรือไม่ก็พวกอะไรนะลูกลูกจันใช่ลูกจันะจดิบๆอะ่ะเม็ดเล็กๆอ่ะนะพิกลดิบก็ได้อ่ะไม่ใช่พิกลสุกเนี่ยเคี้ยวดูเธอเนี่ยจะรู้เลยนะแบบฝรั่งดิบๆอ่ะนะฝรั่งเล็กๆดิบๆเนี่ยเคี้ยวไปเถอะใบฝรั่งก็ได้ครัพวกนี้ฝาดทั้งนั้นเลยนะฉันใดน้าย้อมกอ็ใจที่ถูกยอมด้วยของฝาดก็ฉั้นนั้น ก็เลยเรียกว่าบาปประรำเหมือนด่าน้ำฝาดรถฝาดเช่นราค่าโทสะโมหะความโกรธความปลูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอริษยาตณีมายาสาไถ่ความโอ้อวดความหลอกลวงจนถึงอะไรความเมาความประมาทกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอกุสลาพิสังขารสิ่งเหล่านี้แต่ละอย่างเหมือนกับน้ําฝาดทั้งนั้นเลยสรุปว่าความชั่วร้ายทุกชนิดเรียกว่าเหมือนกับเช่นกับ น้ำฝาดเนี่ยนะน้ำฝาดก็เป็นของที่มีพิษหรืออวิชาก็เรียกว่าน้ำฝาดเหมือนกันก็แสดงว่ามาดูนะว่าชักจะฝาดกันทั่วไปหมดแล้วนะถูกย้อมด้วยน้ำฝาดทั่วไปหมดเช่นความไม่รู้ในทุกข์ก็เป็นน้ำฝาดถูกย้อมเนี่ยแหละย้อมด้วยน้ำฝาดและความไม่รู้ในทุกข์คาสมุทัยความไม่รู้ในทุกข์คาณิโรทความไม่รู้ในทุกข์าณิโรทขามไมีปฏิปทา ตอนแรกๆทําท่าจะได้ดิบได้ดีมันกันหมดนะนะตอนหลังเอาเข้ากวาดเรียบเลี่ยนะก็ถูกเครื่องกรองคัดออกไปหมดเลยคร น, นี้เจอน้ําฝาดคือไม่รู้อริยสัจนะงนั้นความไม่รู้ในเบื้องต้นก็คืออดีตที่ผ่านมาไม่รู้ในส่วนเบื้องปลายคืออนาคตไม่รู้ทั้งส่วนเบื้องต้นและเบื้องปลายความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทคือสังขารที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนั้นไอ้ความไม่รู้เนี่ยแหละความฝาดก็คือความไม่รู้เนี่ยนะ ถ้าเป็นตาก็คือมันมัวไปหมดแล้วจนมองอะไรไม่เห็นไอ้ตัวความมองมัวที่ที่ไหนที่กระจกตาเนี่ยนะเลนตาเนี่ยมองมัวไปหมดจนไม่รู้ไม่เห็นไม่ถึงพร้อมไม่ตรัสรู้ไม่ตรัสรู้พร้อมไม่แทงตลอดไม่แทงตลอดพร้อมไม่กําหนดถือเอาไม่เห็นพร้อมไม่พิจารณาไม่ทําให้ประจับนะความหมดจดยากแลลว่าชําระยากนะอย่างกระจกมัวมัวเนี่ยนะหมายความว่ามันมัวข้างในทั้งหมดเลยเนี่ยถามว่า เช็ดยังไงให้มันใสแบบยากความเป็นพานภาระแปลว่าเขาเนี่ยนะเขาก็คือไม่รู้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเรียกว่าคลาดเขาจริงๆไม่รู้ทั่วพร้อมความหลงความหลงเสมอโมหะคืออวิชาหรืออวิชาคือโอคาโอคะคือห่วงน้ําห่วงน้ําคืออวิชาเนี่ยหมามันไหลท่วมทับพัดไปหมดแหละอวิชาโยคะประกอบเอาไว้อวิชา เป็นอนุสัยอนุสัยก็คือมีกําลังมากแล้วก็อวิชาปริยุทธานคือความกลุ่มรมอวิชาเป็นเหมือนตะข่ายดักเอาไว้อวิชาเหมือนกับบ่วงบ่วงคล้องคอนั่นแหละโมหะแล้วก็เป็นรากเง่าของความชั่วสารพัดชนิดอันนี้เรียกว่าโมหะความลบลู่บาปรธรรมที่เหมือนกับรถฝาดและโมหะเหล่านั้นทั้งหมด พระปเจกขพุทธเจ้านั้นสํารอกแล้วกําจัดแล้วละเสียแล้วตัดขาดแล้วสงบแล้วระงับแล้วทําไม่ให้อาจเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานเพราะเหตุนั้นพระปเจกขพุทธเจ้านั้นจึงไม่มีความลบลูพระปเจกขพุทธเจ้าไม่มีบาปประธรรมเหมือนกับรถฟาดมีโมหะคือรากเง่าแห่งความชั่วอันกำจัดออกไปแล้วก็บอกว่า นิราสโยโยคือพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีตัณหาหรือนิราสโยโยตัวนั้นก็แปลว่า อ, อาสยะเนี่ยนะบางทีก็แปลว่าหวังพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีความหวังในโลกนะความหวังนั้นเป็นชื่อของอะไรราคะตัณหาราคะสราค้าอภิชาโลภาอกุศลมูลทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าความหวังหวังด้วยอำนาจตัณหาความหวังไม่มีในโลกทั้งปวงพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีความหวังในภพสามคือการมาภพรูปภพอรมูปภพ พระปเจกพรพุทธเจ้าไม่มีความหวังในขันธโลกอายตนะโลกธาตุโลกคือพระปเจกพรพุทธเจ้าไม่หวังในตาไม่หวังในรูปไม่หวังในหูไม่หวังในเสียงไม่หวังในจมูกไม่หวังในเกล่นไม่หวังในลิ้นไม่หวังในรสไม่หวังในกายไม่หวังในโพธะไม่หวังในมโนและธรรมารมไม่หวังในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิยญาณเพราะท่านรู้ทำเป็นที่ดับความหวังได้เป็นรู้ทำเป็นที่ดับความหวัง คือเห็นทำเป็นที่ดับความหวังคือเป็นชื่อของพระนิพพานเนี่ยนะพันสิ้นความหวังเพราะแทงตลอดทำที่สิ้นหวังแล้วเนี่ยนะทำที่ดับความหวังก็เหมือนอย่างว่าถ้าประสบสุขที่แท้จริงแล้วถามว่าต้องการสุขอะไรจากของเล็กๆน้อยน้อ ย, อยไหมบอกไม่เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นพระประเจกจึงเป็นผู้ไม่มีความหวังในโลกคือเป็นผู้ไม่มีความหวังไม่มีตัญหาเป็นผู้ไม่มีความกระหายในโลกทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระประเจกนั้นจึงชื่อว่าผู้ไม่มีความหวังในโลกทั้งปวงเที่ยวไปเหมือนหน่อแรดสรุปว่าพระประเจกพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ไม่โลภไม่โกหกไม่กระหายไม่ลบหลูมีบาปธรรมเหมือนกับรถฟาด และโมหะอันคำจัดได้แล้วไม่มีความหวังในโลกทั้งปวงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอรัตเที่ยวไปด้วยอริยมรตรตัสรุ ป, ปจเจกภโธทิยานแต่ผู้เดียวที่จริงถ้าแยกสับนะคำว่าเที่ยวไปนี่คือเป็นชื่อของอริยมตรตผู้เดียวเป็นชื่อของปัจเจกภโธทิรู้เฉพาะตัวเนี่ยนะนรันก็อันนั้นก็เป็นข้ออุปมาบางนั้น